ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องบวช ด, ดีไม่ทำดีก็เลวอากาละราวิชาดกโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้ในช่วงเดือนกันยายน2549ณพุทธสถานสันติอสโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ วันนี้เอาชาดกมาให้ฟังซะเรื่องหนึ่งสั้นๆ น, นะชาดกเรื่องนี้ไม่ยาวพอดีช่วงนี้น ะ, ะนั่นแหละข่าวอะไรนะลองเจ้าคณะอะไระที่ไหนสุพรรณบุรีใช่ไหมที่โดนสีกาฟ้องอะ่ะใช่ไหมเออ นก็นเนี่ยแหละดูสิบวชมาถึงขนาดนี้ก็ไม่รู้นะใครถูกใครผิดยังไงแต่แค่ภาพไอวิดีโอคลิปที่ออกมานี่ก็แหมแค่เห็นภาพแค่นั้นก็รู้สึกทำใจกันยากแล้วนะใครที่เห็นภาพนังสืบพิมพ์ก็มีลงด้วยใช่ไมอืมก็ไม่ได้ตามข่าวไม่รู้ว่าไปถึงไหนละก็ศึกไปแล้วนี่ใช่ไหมอ่าให้ศึก ให้สึกไปแล้วแต่ว่ายังอยู่ที่วัดนั้นใช่ไหมยังไม่ได้ใส่ชุดขาวยังไม่ได้ไปที่ไหนก็ชาดกวันนี้มีลงในเราคิดอะไรเขียนชื่อหัวเรื่องว่าบวชดีไม่ทำดีก็เลวนัคือการบวชเนี่ยดี แต่ถ้าไม่ทําดีเนี่ยถึงถึงถึงจะบวชเป็นพระถึงจะบวชเอ่ออะไรอะ่ะมีสมณะสักมีอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่ทําดีแล้วอะ่ะจะมียศฐาดาศัก์ขนาดไหนก็เร็วอืมไม่มีวันได้ดีอะ่ะทั้งทั้งที่จริงๆการบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นบุญกุศลถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยขึ้นว่า บวชได้ดีแล้วเบื้องต้นทำตนไม่ดีเบื้องหลังใดควรไม่ควรโง่จังจิงพังเพราะเลือกทำเร็วพังเพราะว่าแหมบดีดีให้เลือกทำตั้งเยอะตังแยะไม่ทำกลับไปนะไปเลือกทำให้ที่มันไม่ดีซอีกนะอย่างนี้ก็เร็วแน่เป็นชาดก <c oughs> ชื่อว่า อาการละราแม่อ่านยากอาการละลาวิชาดกอาการอาการละลาวิชาดกอ้าวลองฟังเรื่องดูมีกุลบุตรชาวนครสาวัตถีคนหนึ่งเมื่อได้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่สนใจวัตร วัตระนี่ก็คือการปฏิบัตินะก็ไม่สนใจการปฏิบัติตนเองไม่ใส่ใจสิกขาสิกขาก็คือการศึกษาในธรรมะต่างๆเนี่ยอย่างอย่างที่เราใช้เรียกสัมมาสิกขาเนี่ยก็หมายถึงการศึกษ า, าที่ถูกทิศถู ก, ท, ถกทางที่ถูกโลกุตละนะนะ ไม่ใส่ใจสิกขาไม่รู้ว่าเวลาใดควรทำวัดเวลาใดควรปรนนิบัติปรนิบัติก็คือรับใช้เนี่นะเวลาใดควรศึกษาเล่าเรียนเวลาใดควรทบทวนท่องจำคือพูดง่ายๆว่าบวชมาทั้งทีเนี่ยนะทำอะไรเหมือนกับไม่รู้กาละไม่รู้เวล่าเวลาเลยเวลาไหนควรทาวัด เอาไปทําอย่างอื่นซะนีเวลาไหนควรจะมาศึกษาอ่านเรียนรู้ตำรากลับไปอา้าวอาจจะอยากจะไปทําวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือคือคือพูดง่ายๆว่าไม่รู้จักใส่ใจไม่รู้จักเวลาเวลาอะไรนะจึงมกักกระทําเสียงดังหนวกหูเสมอเมื่อตอนตื่นขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเวลาปฐ ม, มยาม หรือมัชิมมายามหรือปัดชิมมยามก็ตามทำให้ภิกษุทั้งหลายเดือดร้อนไม่เป็นอันได้หับนอนพากันตำหนิกาวโทษภิกษุนั้นในธรรมสภาคือพูดง่ายๆว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมากเลยคือคือสภาพเนี้ยเราจะรู้ยิ่งยิ่งใครที่เคยมานอนปฏิบัติธรรมนะที่ที่วัดเนี้ยจะรู้ได้เลยเพราะว่ามัน นอนรวมๆกันใช่ไหมหลายๆคนจะรู้เลยว่าใครเนี่ยมาทําอะไรที่มันไม่เป็นเวลาเวลาอย่างเช่นเวลานี้เขานอนแล้วอา้าวเราก็ไปก๊อกกแก๊กแก๊เปิดไปบ้างอาปิดประตูบ้างเปิดประตูบ้างยุงเข้าบ้างอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเขานอนไม่หลับเสร็จแล้วพอบางทีพอเวลาเขามาทําวัดอย่างเงี้ย อา้าวเขาละครดีสามขึ้นเข้ามาทำวัดอา้าว <laughs> ไปนอนท่นเ่งก็ตื่นมาทำวัดกันแล้วเอเอไอไอไปนอนก็ยังยังพอยังก็ยังชั่วนะแต่ปรากฏว่าอะไรอา้าวเกิดมาเปิดไอ้นวนเปิดวิทยุเปิดอะไรใช่ไ้ยมารบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาเขาก็จะฟังธรรมะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอา้าวเขาก็มานั่ง ใช่ไหมอาจจะทำฝึกเจโตสมถะทางวัดเช้าเราก็มีฝึกเจโตสมถะด้วยอะไรเงี้ยไอ้เวลาที่เขาฝึกเจโตสมถาก็มาคุย <c oughs> เออหรือเอาเวลาที่ฟังเทศฟังธรรมเงี้ยบางทีใช่ไหมมีผู้มาเทศให้ฟังสมณะท่านหนึ่งปรากฏว่าแทนที่จะฟังเป็นไงคุยเรื่องธุรกิจ <c oughs> เออจะไปไหนมาจะมาซื้อขายมาอะไรต่ออะไรเอา้า มาถามมาไทยก็เรื่องสุขภาพร่างกายอะไรโทท่านเทศอยู่แทนที่จะตั้งใจฟังเทศนเนี่ยเนี่ยคือคือไม่รู้เวล ล, ลาแล้วก็ทําให้มันเดือดร้อนไปหมดเหมือนกับบางทีอ่ะสังเกตไหมละ่ะบางทีเขาตั้งใจเอาสมมติเอ า, มม เ, อาเวลาพักผ่อนเวลาดูหนังก็ได้เอาบางทีอ่ะก็มีหนังมีสารกดีมีอะไรมาฉายดูแล้วคนอื่นเขาก็ดูกันอย่างเงี้ยแม้เราก็มาคุย มีนะขนาดลงหนังทั่วไปเนี่ยโอ้โหโมโหกันถึงขั้นถึงขั้นชกต่อยอะไรกันเลยก็มีเพราะอะไรเพราะเขาดูหนังกันแล้วก็ไปคุยหนวกขูก็หรือบางคนไม่คุยอะลุกยืนมั่งเดินบัง <c oughs> เดี๋ยวเข้าบังเดี๋ยวออกบังเออเขาก็ตั้งสมาธิจะดูหนังเนี่ยไอ้นี่ก็ทำํำซะปวนไปหมดเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนกับภิกษุรูปเนี่ยบวชมาละก็มด ทำให้มันวุ่นวายคนอื่นเขาก็ลาคาญกันนะนะจนจนในที่สุดเนี่ยปิกษุบทั้งหลายก็เลยมากล่าวโทษในสภาเพราะอะไรในที่นี้นี่เขาเอาสามยามเลยนะปฐมมยามนี่ก็ไม่รู้จักเวล่ำเวลาว่าปฐมมยามเนี่ยส่วนใหญ่เขาทําอะไรกันปฐมมยามคือตั้งแต่เวลาปฐมมยาม ยามที่หนึ่งอ่ะยามแรกเออหกโมงถึงสี่ทุ่มเขาเรียกว่าปฐ ม, มายามเ น, นี่ยนีมันภ า, าษาอะไรอ่ะภ า, าษาโบราณนะเขาก็เรียกปฐ ม, มายามหรือหรือเรียกง่ายๆว่ายามที่หนึ่งหกโมงเย็นหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเรียกว่าปฐ ม, มายามนะเอาอย่างเช่นบางทีเนี่ยเอาหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม อ, อย่างช่วงเนี้เออบางทีนะเขาก็อาจจะยังมาอะไรอะ่ะอาจจะพักพรอาจจะทำไ้โด้ยไอ้นี่หรือมาคุยสนทนาธรรมกันสมัยก่อนนะนะแต่ปรากฏว่าพิกษูรูปนี้นู่นเน่ไปทำอะไรอย่างอื่นและไปรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาอ่าพอยามที่สองอะไรมัดชิมมายามก็ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสอง ส่วนใหญ่เนี่ยช่วงเนี้ยถ้าเป็นสมัยโบราณภิกษุนะท่านก็พักละคราวนี้ปฐมยามเนี่ยจะเอ่อมัชชิมยามนี่จะพักสมัยก่อนเนี่ยนะก่อนนอนเนี่ยบางทีสนทนาธรรม อ, อ่หรือว่าฟังเทศฟังธรรมพอยามที่สองปั๊บพักผ่อนเนี่ยไปจำวัดหรือว่าจะใครไปฝึกอะไรก็แล้วแต่และแต่ว่าจะสงบละ นั่นแปลปรากฏว่าภิกษุรูปนี้พอเข้าไปจำวัดนี่มาทำอะไรก็ไม่รู้อา้าวพอปัดชิมมายามยามที่สามก็คือตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้าเอาแล้วคราวนี้เขาจะตื่นอีกละตื่นมาเนี่ยล้วก็มาทาวัดอีกมาฟังเทศฟังธรรมหรือมาสนทนาธรรมหรือจะมาฝึกเจโตสมาธิก็ตามแต่แต่ภิกษุนี้ก็ไปทาอย่างอื่นต่าง ต่างจากคนอื่นเขาอีกและวทำให้วุ่นวายไปหมดนะตอนนี้ภิกษุเนี่ยก็เลยคุยกันแล้วก็ตำหนิตำหนิภิกษุรูปนี้ในธรรมสภาว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนั้นแม้ได้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาอันประเสริฐ ถ, ถึงปานนี้ก็ยังไม่รู้ข้อพึงปฏิบัติไม่รู้ข้อพึงศึกษาไม่รู้เวลาใดควรหรือไม่ควร รบกวนผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่เสมอผูดง่ายว่าเป็นที่อะไรอะโจจันกันเลยละ ว, ว่าแม่แย่จริงจริงภิกษุรูปเนี้ยนี่เป็นการตําหนิแล้วนะขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาพอทรงทราบเรื่องที่เราภิกษุสนทนากันแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่ในบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุรูปนี้กระทำเสียงดังไม่เป็นเวลา แม้ในการก่อนก็ส่งเสียงดังไม่เป็นเวลามาแล้วเหมือนกันเพราะไม่รู้กาละเทสะกาละเทศกะทศก็ไมายถึงไม่รู้ว่าควรหรือว่าไม่ควรกาละนี่ก็คือเวลานั่นเองนะไม่รู้ว่าเวลาไหนควรเวลาไหนไม่ควรอย่างเงี้ยทำมันไม่เหมาะกับเวลานั้นๆเนี่ยเพราะไม่รู้กาละเทศะนั่นเองคือพู้เจ้าท่านก็เลยแบบพูดง่ายว่า รู้อดีตอ่ะเห็นไหมแล้วทรงนําเรื่องในการก่อนนั้นมาตัดเล่าคือรู้อดีตท่านสามารถจะบุกเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกย้อนไปได้ว่าอ๋อพิษุรูปเนี้ยเหรออ่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งมาไม่รู้จักกาลเทศะเดี๋ยวนี้แม้แต่ก่อนนั้นก็ไม่รู้มาแล้วคือคือความหมายอย่างเงี้ยน้ำหมายถึง คนเราไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยจะมีนิสัยแบบนี้คนเราสะสมมาเป็นชาติชาตินะคุณ <c oughs> คุณอย่านึกว่าสะสมมาแผลบๆบางทีเนี่ยสะสมมาชาติหนึ่งสองชาติสามชาติสี่ชาติมันสะสมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยจงกระแ่กมาเป็นอย่างนี้เพราะงั้นใครเนี่ยที่ไปติดอะไรหนักหนาสาหัสสาการไปติดอะไรที่แรงๆเนี่ย นั่นแหละคนนั้นต้องรู้เลยว่าโอ้โหสะสมมาหนักชาติเลยทำให้ถึงได้จริตนิสัยจนเขาเขาใช้คำว่าสันดานว่าเนี่ยถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะฉนั้นคราวนี้เนี่ยเราปฏิบัติทำมาเราตรวจจิตตรวจใจเรามาให้เราดูเลยให้เรารู้ว่าเออเราติดอะไรมามากคำว่าติดอะไรนี่จะลาคะก็ได้โทสะก็ได้นะ หรือว่ามานะก็ได้เรื่องอะไรที่เรารู้สึกมันจัดจ้านมันรุนแรงเหลือเกินก็ให้รู้เลยว่าเรื่องนั้นน่ะโอ้โหสะสมมามากซึ่งเราเรียกกิเลสตัวนั้นว่าสักกายะแ <c oughs> นะว่าสักกายะตัวไหนที่มันโอ้โหมันตัวใหญ่อย่างนี้มันถึงได้หนาอย่างงี้แสดงว่าทับถมมาหลายชาติมันถึงได้หนาขนาดนี้เนี่ยนะท่านั้น ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้อาตมาอยากจะบอกเลยว่าจะได้กลัวจะได้กลัวหนึ่งก็คือกลัวว่าโอ้โหขืนเราทําอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวกูไม่กลับเลยนะจะยิ่งล้างยากรวมไปทั้งจะทําให้เรากลัวอะไรกลัวว่าโอ้โหถ้ามันหนาถึงขนาดนี้เนี่ยยิ่งนานยิ่งจะสู้มันไม่ได้นะ ยิ่งนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะยิ่งแบบโอ้โหอะไรอะ่ะเป็นอันตรายยิ่งจะทาให้เราเนี่ยอะไรหมดสิทธ์อ่ะเพราะมันมันยิ่งนานมันยิ่งหมดสิทธิ์จริงๆนะเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งตัวที่ยากเนี่ยพอเราสู้ไปหน่อยมันมักจะแพ้อีกลสู้ไปหน่อยมันมักจะแพ้อีกแล้วเพราะมันสู้ยากไงละ่ะเพราะนั้นบางทีเนี่ยโถบางบางคนเนี่ย สู้สู้แพ้แค่ครั้งเดียวก็จะเลิกทำแล้วบางคนสู้แพ้แค่สองครั้งก็จะเลิกบางคนสู้แพ้แค่สามครั้งก็จะเลิกแล้วเพราะนี่เ น, เนี่ยคืออิทธิพลคืออํานาจของกิเลสที่มันสะสมมานานเข้ามันหนามากเนี่ยคุณไม่ชนะง่ายหรอกอัตมาถึงบอกว่าสู้ไปแล้วมักจะแพ้สู้ไปแล้วมักจะแพ้เพราะเรายิ่งต้องรู้เลยว่าโอ้โหตัวนี้แสดงว่าหนาหนักแล้วสําหรับเรา วันพอเรารู้อย่างเงี้ยเราจะได้มีความภาคเพียรมีความพยายามที่จะอะไรอ่ะที่จะอดทนที่จะขยันที่จะสู้มันไปเรื่อยอ่ะไม่เลิกสู้ไม่หยุดสู้วันใครที่เลิกสู้ใครที่หยุดสู้เนี่ยอาตมาถึงบอกเสมอเลยว่าคนนั้นอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าตายแล้วคือคนที่หยุดสู้เนี่ยถือว่าตายแล้ว ทันทีเลยแสดงว่าชาตินั้นจบไม่ไม่มีสิทธิ์ละหมดสิทธิ์ละชาตินั้นเพราะไอ้ที่อยู่ต่อไปนี่อีกเนี่ยก็คือที่อยู่ต่อไปนี่คือกิเลสยิ่งหนาขึ้นเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่สู้เมื่อไหร่เนี่ยกิเลสมันจะเบาบางได้ไหมกิเลสจะลดลงได้ไหมไม่มีทางไม่มีทางลดลงแล้วมันมีแต่จะหนาขึ้นพ้อนไข่เนี่ยที่บางทีท้อแท้ หมดกาลังใจโอ้ชาตินี้ฉันใดฉันคงอะไรอะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วไม่มีวันทําดีกว่านี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นฉนันก็เลวต่อไปถ้าอย่างเงี้ยเสร็จจบละชาตินี้หมดสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตที่เกิดมาแต่ละชาติเนี่ยจะมีคุณค่าเนี่ยนะมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่า คือมาสู้กิเลสมีอย่างเดียวเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นเลยเพราะถ้าเราไม่สู้กิเลส ช, ชาตินั้นใช่ไหมมันก็ยิ่งหนาขึ้นมันก็ยิ่งเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นชาตินั้นหมดเลยหมดประโยชน์หมดคุณค่าเลยทันทีเลยนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสัจจะพวกนี้ได้นะเราจะรู้เลยว่าโอ้โหไม่มีทางอื่นจริงๆถ้าคุณเข้าใจสัจธรรมแล้วคุณจะรู้เลยว่าเกิดมาชีวิตหนึ่ง ไม่มีทางอื่นเลยมีทางนี้ทางเดียวคื อ, อสุดที่สัจจะเนี่ยคือทางที่บริสุทธิ์เนี่ยก็คือทางที่ต้องมาถือศีต้องมาปฏิจจบัติธรรมมีทางเดียวคนที่ยังงมงายอยู่ก็ยังหลงไปหาเงินทองไปหาลาบยศสรรเสริญอะไรอื่นซึ่งไม่ได้มาลดกิเลส ต, ตัวเองอนะเอา้าแล้วจะไป ม, มีค่าอะไร ต้องเกิดวนอยู่อย่างนั้นแหละวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยมาทุกๆุกสุกสุกดิบดิบอะไรของเขาต่อไปไม่มีวันจบสิ้นเพราะนั้นคนที่เข้าใจสัจธรรมตรงนี้ได้เท่านั้นเนะี่ยถึงจะเริ่มเออชักจะมีกําลังใจเพราะอะไรทุกครั้งที่เราทําดีคุณว่ามีผลไหมเออจะสลึงหนึ่งหรือจะห้าสิบสตัก็แล้วแต่ทุกครั้งที่ทําดีมันมีผลเท่านั้นแหละ พูดบ่อยว่าอย่าเป็นขอทานขี้โลภเท่านั้นแหละอย่าทำตัวเป็นขอทานขี้โลภที่เรียกว่าเขาให้มาสลึงหนึง่งเขาให้มาห้าสิบสตังค์เขาให้มาบาทหนึง่งมองหน้าเขาให้ทำไมแค่นี้มันน้อยเหลือเกินนี่คือคนที่ไม่รู้คุณค่าอา้าวได้มาเนี่ยสลึงหนึง่งห้าสิบสตงค์ก็ยังดีแล้วที่ได้มา ใช่ไหมเขาชอบใช้สำนวนบ้าอะไรนะมีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบบาทแล้วอะไรต่ออย่าให้ขาด อ, อ๋อสิ่งของต้องประสงค์แหมเป็นนึกถึงให้นั้นอย่าให้ขาด้าดให้เยี่ยนอย่าให้เหลือ <c oughs> เขามีอะคนดัดแปลงแล้วก็มามาพูดใหม่ไงก็ว่าพูดใหม่พอมีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบบาทใช่ไหมพออย่าให้ขาด มีมีเท่าไหร่ก็จะเอามาฟาดให้เฮี้ยนเลยอย่าให้เหลือแล้วมีอีกนี่ยเา็เามียาวเลยนะจนจนจนครบเหมือนกันนะแต่ครบไปในทางเลวร้ายอนะคือคนเรามันก็ชอบแผงแผลงอย่างเงี้ยอเพราะวั้นทางที่ดีแล้วเนี่ยหมายถึงว่าจริงๆริงแล้วมันมีค่าสลึงหนึง่งห้าสิบสตังค์อะไรพวกเนี้ยสะสมบุญกุศลเนี่ไปเรื่อยพพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเหมือนฝนเนี่ยใช่ไหมที่เราหยดที่เราหยดที่เราหยดเออน้ํายังเต็มตุ่มได้เลยท่านก็ใช้สำนวนโบราณแบบนั้น ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเราเข้าใจความหมายพวกนี้ก็อย่ามาน้อยใจบางทีทําดีไปนิดทําดีไปหน่อยโอ้ไม่เอาอะ่ะอย่าไปเป็นเหมือนนักพ น, นันแมมอะไรนะชนะมานิดเดียวโอ้โหอะไรอะ่ะมันน้อยไปอะ่ะเพราะฉะนั้นแทงมันเยอะๆนะให้มันเจ๊งเยอะ ๆ, ๆ <laughs> แทงให้เยอะๆจะได้ไดกำไรเยอะ ๆ, ๆอะไรอย่างเงี้ย ไอ้นมันพวกคนโลกีคนโลกโลกนะพวกพวกพนันคือพวกพนันอยากจะขี้โลภไงคืออยากจะได้เยอะๆส่วนใหญ่พวกนักพนันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉนั้นอย่าไปเป็นขอทานอย่าไปเป็นนิสัยแบบนักพนันไปขี้โลภนะต้องต้องได้เยอะๆไม่ต้องเลยทําดีไปได้เสลึงได้ห้าสิบให้พอใจในสิ่งที่ตนมีนี่แหละ ได้มาแค่สลึงก็ให้พอใจว่าโอ้โหนี่ได้ตั้งสลึงนะดีกว่าไม่ได้เลยอย่างน้อยน้อยชาตินี้ก็มีค่าสลึงหนึ่งละชาตินี้เนี่ยได้ดีมีค่าสลึงหนึ่งละหรือชาตินี้ได้ดีมีค่าตั้งบาทละอย่างน้อยน้อยก็ยังเป็นคนเต็มบาทใช่ไหมได้ตั้งบาทหนงอย่างน้อยน้อยก็ชาตินี้ก็ยังเป็นคนเต็มบาทแล้วดีกว่าคนไม่เต็มบาทใช่ไหม เพราะอันเนี้ยนะฝากไว้พวกเราเพราะว่าบางทีเราทําดีเนี่ยอะไรนิดนิดหน่อยเนี่ยเราไม่ให้คุณค่าไม่ให้ความสําคัญเราเลยละเลยนะเดินไปเงี้ยเดินผ่านไปเออเห็นขยะซึ่งสามารถจะหยิบได้หยิบทิ้งถั้งขยะได้เงี้ยก็ไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้อะไรนักอเออบางทีหยิบได้ทําได้แท้ๆเลยเห็นด้วยนะบางทีก็เจอด้วยนะรู้ด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ทําอ่ะ ทั้งที่เราทําได้เออไอ้ถ้ามันยากลําบากเกินไปก็อีกเรื่องใช่ไหมไอ้นี่มันไม่ได้ยากไม่ได้ลําบากอะไรบางทีเนี่ยอะไรอ่ะมีของกินเยอะแยะเออบางทีเห็นเพื่อนฝูงหรือเจอคนอื่นก็แบ่งเขาได้บ้างก็น่าจะแบ่งเงี้ยแต่บางทีก็ไม่แบ่งเนี่ยก็ขี้โล่พอผวงเอาไว้ทั้งที่เออมันก็พอแบ่งเขาได้แบ่งนิดแบ่งหน่อยก็เป็นบุญแล้วอ่ะ นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เข้าใจให้ได้เลยว่าแม้นิดแม้หน่อยเราทำดีได้ให้ทำเลยบางทีเดินผ่านกับเขาอย่างเงี้ยยิ้มให้เขาเออสากาักหน่อยหนึ่งก็ได้แต่ไม่ทำทำได้แต่ไม่ทำเออจะปฏิสันถานทักทายสักหน่อยหนึ่งก็ได้แต่ไม่ทำอันนี้เป็นบุญกุศลทั้งนั้นนะเออ วันใครทำได้ก็เป็นบุญกุศลทันทีเลยวันแล้วคิดดูนะบางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งทำง่ายแล้วก็ทำได้นะแต่คุณไม่รู้จักกอบโกยออกมาเสร็จแล้วไปหวังไอ้ที่ทายากนะโอ้โหไอ้ที่บางทีแม้ต้องไปช่วยเขาอย่างนั้นเลยนะต้องไปอย่างงี้อย่างงั้นโอ้โหบางทียากนะเหนื่อยลาบากด้วยนะอย่างนั้นน่ะจะไปทำเสร็จแล้วก็บางที ไอ้เล็กไ้เน้อยยังฝึกทาไม่ได้เลยหรือไม่ได้ทำเลยเสร็จแล้วจะไปอาถรรพ์ไปทำไอ้ใหญ่ใหญ่ทำไม่ได้หรอก <c oughs> ออพอไปทำจริงๆทำไม่ได้พอทำไม่ได้เสร็จโกรธโมโหมาทุกมาเสียใจอีกซวยบุญบุญไปขี้โลภจะเอาทีเยอะๆใช่ไหมแล้วก็ทำไม่ได้นะบุญก็ไม่ได้อีกเสร็จแล้วยังมานั่งทุกมานั่งกุ้มมานั่งเสียใจ มาน้อยใจตัวเองมากุ้มใจตัวเองทำไมฉันไม่เก่งเลยทำไมฉันไม่สามารถช่วยเขาได้อะไรต่ออะไรโอ้โห น, นี่นี่แหละเนี่ยมันเกิดจากขี้โลบเกินไปแล้วก็ไม่รู้จักเก็บเล็กผสมน้อยจะเอาทีเยอะๆเลยทาไม่ได้เลยในที่สุดก็เลยไม่ได้อะไรเลยติดลบไปอีกด้วยนะไอ้คำว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยชาตินั้นจะติดลบไปอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราเราจะเริ่มรู้ว่าเออคนเรานี่นิสัยคนเราแม้แต่เรื่องบุญกุศลแม้แต่บาปก็เหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะมาบาปเลยมันก็สะสมอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีแม่เล็กแม้น้อยบางทีเราพูดเล่นกันอย่างเงี้ยแต่เราพูดโกหกมั่งพูดซอเสียดมั่งพูดคำหยาบมั่งเล่นกันสนุกเรานึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร นี่ก็เหมือนกันนะบางทีเนี่ยพูดโกหกอะไรอะ่ะถือว่าถือว่าเพื่อนฝูงโกหกขำขำทําให้คนหัวเลาะได้นั้นเลยโกหกเป็นประจําเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณโกหเป็นประจำไปเรื่อยประจำไปเรื่อยมันก็โตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรื่อยเมื่อคนเราโกหก ok, เล็กๆน้อยๆโกหเล็กๆน้อยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยอีกหน่อยก็โกหกใหญ่ได้ เพราะมันสะสมเพราะนั้นถึงบอกว่าคนเราอยู่ดีดเนี่ยจะมาโกหกเก่งเลยเหรอไม่หรอกมันไปฝึกโกหกจนเก่งไปฝึกโกหกจนเก่งมันถึงได้เป็นอย่างนี้เหมือนกับคนขี้โกรธขี้โมโหอยู่ดีคุณว่าคุณคขี้โกรธขี้โมโหเหรอไม่ใช่หรอกคุณไปฝึกมาเองอะ่ะบางคนไม่ได้ไม่ได้อยากฝึกหรอกแต่ไปทําบ่อยๆไงการไปทําบ่อยๆเนี่ยแหละคือคุณไปฝึก ใช่ไหมบางทีก็รู้ตัวนะงดหยิแล้วชักลําคาและชักไม่ชอบใจละคําว่า ค, คุณฝึกก็คือคุณก็ยังปล่อยให้มันคิดอย่างนั้นไงไม่ชอบใจไม่ชอบใจเอาคิดคิดคิดคิ ด, คดไม่ชอบใจคิดไม่ชอบใจคิดไปเรื่อยเลยนี่แหละคุณไปฝึกแล้วคุณไปทําซ้ำซํำๆย้ํำๆเรื่อยๆนั่นแหละคุณไปฝึกเพราะฉนั้นก็เลยกลายเป็นนิสัยขี้โกรธขี้งดหยินขี้โมโหขี้ลําคาญ คุณไปทําของคุณเองเพราะ ใ, ใครไปทําอย่างเงี้ยมันก็จะโตขไปเรื่อยๆนิสัยแบบนี้ก็จะเป็นไปเรื่อยๆเป็นไปเรื่อยสั่งสมอย่างเงี้ยแหละคุณทําครั้งหนึ่งเนี่ยนะจริงๆนะถ้าภาษาพระเนี่ยเรียกว่าคุณทําชาติหนึ่งละคุณทําโกรธครั้งหนึ่งเนี่ย น, นี่ชาติหนึ่งของคุณแล้ะอันนี้นี่ชาติของจิตชาติแปลว่าชาติแปลว่า การเกิดใช่ไหมเนี่ยคุณทําโกรธหนึ่งครั้งเนี่ยนี่แหละชาติหนึ่งของจิตคุณแล้วคุณทําโกรธหนึ่งครั้งเนี่ยนี่ชาติหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวพอเดินเดินไปอีกหน่อยอะตอนแรกเจอคนไม่ชอบใจอโกรธไม่ชอบใจไอ้คนนี้เราไม่ชอบใจนะโกรธาชาติหนึ่งละเดินไปอีกหน่อยเห็นหมาตัวที่เราไม่ชอบใจนะเดินสวนกันไอหมาตัวที่เราไม่ชอบใจโกรธอีกแล้ว สองชาติแล้วนะ <c oughs> สองชาติแล้วนะ <c oughs> เกิดเกิดสองครั้งแล้วไงสองชาติแล้วเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อย <c oughs> <c oughs> แหมเจอแมแวแบบนี้ <c oughs> เอาละแต่คุณจะไปเจออะไรก็แต่อย่าว่าแต่เจอคนข้าวของอะไรเลยเเไม่ต้องเจอสัตว์ไม่ต้องเจอคนก็ได้คุณไปเจออะไรบางทีเอ้า ไอ้ตรงนี้อุตส่ากว่าสะอาดแล้วใครมาทํารคอีกโกรธอีกไม่เห็นใครเลยนะยังโกรธเลยนี่สามชาติแล้วนะัสะสมไม่สามชาติแล้วคุณคิดดูโอ้โ oh หเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยอัตมาต้องบอกนิสัยแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันสะสมแล้วอย่าไปโทษไอ้หมาตัวนั้นนะทําให้เราโกรธไอ้คนนั้นแหละทําให้เราโกรธไม่ใช่ ใครเป็นคนทำเราเองเพราะก็คุณคิดเองอะ่ะคนอื่นเข้ามาบังคับความคิดคุณที่ไหนล่ะใช่ไหมเขามาบังคับคุณว่าให้โกรธนะเขามาบังคับอย่างนั้นหรือเปล่าเปล่าก็คุณเห็นไอ้นอนไอ้ ย, ยิยนไอ้นี่แล้วคุณก็โกรธเองอะ่ะเพราะนั้นอย่าไปโทษใครเนี่ยโทษตัวเราว่านี่แหละกูทำเองให้ <c ười> ชัดเจน ถ้าถ้าชัดอย่างเงี้ยมันจะเลิกโทษชนอื่นเขานั้นละเนี่ยมันก็สะสมอย่างเงี้ยจนเป็นนิสัยแบบนี้พระผู้เจ้าก็เลยตัดขึ้นมาถึงว่านี่ยเนยเนี่ยเนี่ยเภิกษุรูปนี้ที่มีนิสัยแบบเนี่ยไม่รู้กาลเทศะเนี่ยนั่นแหละสะสมมานานแล้ว